เพราะเป็นคนมอญเด็กสาวๆจะไม่มีการรักษาศีล พากันโยมสละผีมรมาขอรับเอาพระไตรสรณคมฉะนั้นอริยสัจ พรรษาที่ 17 ถึงพรรษาที่ 25 จำพรรษาท่าบ่อจังหวัดหนองคายตรง 2482 ถึง 2490 กอนเดคลัมเราประเทศที่ฝรั่งเศสได้ไปกราบมัสการาท่านพระ ก็มีหนังสือมนิมนต์เหมือนกันแท้จริงเราได้เกิดทราบถามท่านเห็นมีท่าทีท่านจะกลับเราจึง แล้วเราก็ได้มีจดหมายเรียนท่านเจ้าคุณ 3-4 ปีได้ผลราว ได้เห็นมาส่งเสริมในด้านการศึกษาควบคู่กันไปพร้อมกันนี้เราได อัน 1 ขณะเราประเทศได้กลับ 2484 ถึง 2485 เราได้พาลูกหลานญาติเนนอยู่จำวัดตลอดปัจจุบัน วัดนิโรธรังสีในปริยานีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีกําลังสนใจ ที่ทันในสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ท่านทุกข์คุณพระธรรมเกดีได้ให้อาจารย์อุ่นธรรมทโรไปนิมนต์ท่านอาจารย์มั่นอะไรพวกจะ เมื่อทุกข์คุณกลับมาเกดีลงไปกรุงเทพฯธุรกิจคณะเราประเทศมี ได้ชมสาธที่วัดอรัญญวาสีถ้าบ่อเป็นเวลา ของครูบาอาจารย์ได้ทําให้เราอยู่ทั้งนั้นแล้วได้แล้วเกิดความละอายแก่ใจว่ารามมุนนท์กินของเก่าเฝ้าสมบัติเดิมของครูบาอาจารย์ เราไม่เคยทําการรีรายมาก่อสร้างเลยละอายแก่ใจมากมีก็ทําไม่มีก็ไม่แต่ ไม่เพื่อมาอยู่ที่ถ้าหมอนนี้เองจมสารได้เกาถึง 3 ไม 2489 ท่านเกฎ แล้วท่านได้มามรณภาพสิในกรมภาษานั่นเองด้วยโรคไส้ติ่งแต่อุปสมบทมาท่าน 14 ภาษาอายุปีท่านเกฎนับแต่บวชมาไม่ คำฟังเป็นสบายๆแต่ก็ได้พูดได้ภาษานี้เราปิมพ์รูปประสาทอย่าง วันหนึ่งหนึ่งเราได้นิมิตฝันว่าเรากับท่านเกฎได้เดินรุกขมูลไปในป่าด้วยกัน ตื่นขึ้นมานึกว่าเป็นจริงพอครำดูในปากจึงรู้ว่าเป็นฝันเราไม่ค่อยเชื่อความฝันว่ามัน ไม่มีหลับที่ฝันคือจิตมันไม่ พระเดชป่วยล่วงหน้ามาก่อน 4-5 วันแล้วดังกล่าวมาข้างต้นคราวนี้เป็นหนักมากลุกไม่ได้ ไม่นึกว่าท่านจะเทศน์ได้ถึงขนาดนั้นพอดีรุ่งเช้าขึ้นเราก็หาจักรไมไม 10 กว่า ฉันยามันก็หายเองมีครั้งหนึ่งตามห้าวันห้าคืนหน่อไม่ได้ฉันไม่ได้เวลาจะหายทีมีอะไรไม่ทราบออกมามียา 3-4 ก้อนจาก ในสมัยนั้นการแพทย์แผนปัจจุบันยังเจริญไม่ทั่วถึงปวดท้องก็หายาแค่ปวดท้องมากินไม่ทราบ แต่เมื่อกระดิษฐ์เสียงร้องในที่สุดพูดหลุดปากออก 4 ถึง 5 ก้าวที่เอาไปเดินเห็นอาการทั้ง พอดีมีเนตไปเรียกว่าท่านเกตอ่อนปรีมากสลบลงๆเฉยๆไม่พูดอะไร และยามโรคกำเริบโรคมิใช่อย่างเดียวโรคไส้ติ่งโรคนี้เวลามันอักเสบเป็นตั้งหลายๆวันจึงจะหายแต่ไม่เคยทำ ก็อยู่ได้ตั้ง 10 วันได้รับความทุกข์ 2490 โยมมารดาก็ เขาเป็นรูปโยมเราเป็นรักษาไม่หายปื่อยกันทั้งบ้านทั้งเมืองโยมเราก็เป็นที่ โรคที่ไม่ชื่อความฝันว่าจะเป็นความจริงก็พลอยหาย พลัดออกจากป่าหรือมิฉะนั้นบิดาก็มารดาเราเราประเทศที่ฝรั่งเศส ร่างกายมันแก่งหง่อมเต็มที 82 ปีแล้วเอายาอะไรมาใส่รักษามันก็ไม่ทุเลากินเรา ในขณะที่ปกติอยู่ท่านถือเราเสมออาจารย์คน พรรษา 26 และ 27 จำปาสาถีเขาน้อยท่าฉีหล่ำจังหวัดแล 2491 ถึง 2492 ภูเขาลูกนี้ก่อนที่เราประเทศที่ฝรั่งเศสจะไปอยู่เราๆอยู่กลางทุ่ง เป็นเนินหรือแม้แต่เครื่องอัฐชาบ้านเมื่อมาอบรมภาวนาณที่นั้น เพราะรอบไปอยู่แก่คือสถานเลื่อมใสไม่ๆไม่ต้องซื้อ ที่แปลกยิ่งคนนั้นก็คือคนใบที่ท่าฉลบนี้เองก็ใสอยู่กับเขาและภาวนาจนเป็น ได้เกิดสร้างวัดเฉพาะส่วนตัวอยู่ ตนวังแนวปฏิบัติด้วยอย่างเชื่อตนเองจึง เราจึงจากเขาน้อยไปด้วยกันระลึกถึงคุณของเขาลูกนี้อย่างยิ่งเราได้ไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านอาจารย์มั่นจนท่านมรณาภาวะ ความไม่ตกของผู้คิดมากวิตกของผู้คิดมากหลังจากเราพระเทศน์มารำพึงถึงมุขนาว่าเมื่อก่อนเรา สิริจันโทจันทร์ก็ยังมีเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่หากมีเรื่องเกี่ยวข้องทางคณะสงฆ์ท่านก็รับเอาเป็นภาระเสียเมื่อท่านมรณภาพติดโสอ้วนก็รับภาระแทน ท่านอาจารย์มั่นก็มามรณภาพไปเสียแล้วคงยังเหลือแต่พวก จึงสังสรรค์กับพระพักที่ ท่านอาจารย์อ่อนเข้าใจว่าเราหนีหมู่คณะเอาตัวรอดเราชี้ ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระเทพราหลายรูปแล้วก็ และณปฏิบัติของสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่นพังงาภาย พระมหาปิ่นชลีโตหรือท่านพระกุวีโรจน์ธรรมอาจารย์เป็นชาวนครปฐมซึ่งไม่ใช่ในคณะของเราไปได้ เธอจึงได้ไปขอ ในมโนภาพของคนอันหนึ่งมากเข้าใจว่าเป็นดิน 30% เพราะการคมนาคม เราข้ามไปภูเก็ตครั้งแรกโดยเครื่องบินขึ้นจาก กรรมกรคนอีสานก็ยังมีไม่กี่คนคนแทบนั้นพากัน ส่วนคนที่อยู่ริมเมืองตลอดบ้านนอกเห็นเข้าแลมพากันอยู่ป่าก็วิ่งหัวซุกโกซุน อยากจะทําตนให้เทียมคนเราประเทศที่ฝรั่งเศสเข้าไปอยู่ ไม่มีคนพร้อมด้วยพระคณะหนึ่งเขารวมผูกกันกีกันไม่ยอมให้พวกเราอยู่หาวิธี ร้องขออยู่จำพรรษาในถิ่นนี้สักพัน 3 ว่าเราเป็นพระ ผู้ใหญ่ผมก็มีเหมือนกันยายผมก็มีเหมือนกันภายหลังได้ทราบว่าท้า ณมัธงาตรงกับปีพุทธศักราช 2493 ผลที่สุดพวกญาติโยม 15 รูปรวม 18 รูป นักุญเญกังอยู่ 3 แห่งด้วยกันคือที่ตกัวทุ่ง 1 แห่งท้ายเมือง 1 แห่งและคู่กลอยที่เราอยู่นี้อีก 1 แห่งในพรรษานี้นอกจากคลื่นบนผิวน้ํา ปิดโนกแบบแผนธรรมราไม่ทําอุโบสถสังฆกรรมในโบสถ์ใครอยากเป็น ตั้งแต่อุปสมบทพันสาบแรงเรื่องที่ แล้วมีคําสั่งม้บันทึกหนังสือสุทธิของพวกเราเพื่อจะสอบสวนคตจริงแต่ศึกษาธิการจังหวัดไม่กล้ามมนุษตนเองได้ใช้ให้ศึกษาธิการนําําเภอมากของบันทึกเมื่อเราถามหาหนังสือคําสั่งไม่มีเราจึงไม่บันทึกและได้ชีแจงระเบียบบริหารคณะสมค์ให้เขาทราบโดยทุ่นทีเมื่อเขากลับไปแล้วไม่ทราบว่าเขาทําอย่างไรกันเราก็ไม่ทราบทราบภายหลังว่าเจ้าคณะภาพ มีหนังสือบรรเทศนาให้เจ้าคณะจังหวัดและผู้ <ST>. เกิดมาในลูกนี้ไม่ว่าใครจะทําอะไรไม่ พระคณะธรรมยุทธไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนทําอะไรล้วนทํามีอุปสรรคทั้งนั้นแล้วก็เฮ้ยมึงทําไมนายข้าไม่ได้ ถึงเอ็งไม่เอวังทําน้ําของค่าย พรรษา 29 ถึงพรรษาที่ 41 จำพรรษาที่ 2494 ถึง 2506 บอดี้วันตรุจีในเล่ภรรยา ลุงอนุภาสผู้เกียรติการในเมืองเจ้าฝามานิมนต์ให้เข้าไปภูเก็ตเราประเทศที่ฝรั่งเศสพร้อมด้วยพระมหาปิ่นและพระเนินอีกรวม 4 รูปด้วยกันพวกเรา คร่าวอยู่ชมสาร่วมกันมีพระ 4 รูปสามเณร ไปตกลงขอซื้อกับเจ้าของคือนายบัวบอนพวกคราบ ที่นี่เดิมเช่นเสือโครงป่าหญ้าคาหน่าทึบมีสัตว์ประหลาดต่างๆเช่นเก้งหมูป่าและหลิงเราทํากุฏิเล็กๆและบริเวณ เสือร้องตะกุยตะกุยออกมาจากป่าแทบจะเห็นตัวเลยกลาง พวกเราได้อยู่เกาะภูเก็ตตลอดเวลา 15 ปีไม่เคยได้ใน 3 จังหวัดนี้อยู่ในคุ้มครองของเราทั้งหมดเปรียบ ก็เฉลี่ยแบ่งปันทรงครัวกันตามมีตามได้ แต่พวกเราก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนเพราะ ที่ได้อุปถัมภ์พวกเราไว้ณโอกาส มีธุรกิจการงานอะไรเกิดขึ้นก็เคยได้ทุกๆองค์ทุกๆปีไม่เคยขาดไม่ พระมหาปิ่นเธอคนแบบนั้นถือไม่ได้ดอกโหก 5 โก่งปางโผงผาง นบธรรมเดียมในทางพุทธศาสนาแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้ อันหนึ่งหมู่เพื่อนทางอีสานที่เป็นคณะเดียวกันก็ได้พากันทยอยติดตามๆคณะธรรมยุตทางภาคใต้ผู้ ที่พวกเราไปอยู่จัมมา 3 11 สมัครด้วยกันปี 11, 11 ในพรรษา เราได้ปีต่อมาสอบที่สํานักวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชปีเรา 3 ชั้นเข้า 60 รูปทุกๆปีและ ที่มีทั้งปริญญาดและปฏิบัติควบคู่ 15 ปีเพื่อบําเพ็ญศาสนกิจอันเป็น มันมีพระคุณแก่พวกเราเป็นหนักยามน้อยเขาเหล่านั้นก็ได้ดูชมหน้าตาอันแท้จริง ก็มีเคยกำกรายก็มาในภูเก็ตเราเข้ามาตั้งสำนัก ความไม่ตกของเรากลายมาเป็นความจริง ทำความรู้จักกับเจ้าขุนณทุกๆองค์ และทุกๆองค์ก็เก็บไว้เป็นกองกลางและ ปฏิบัติผู้ของเราดีเลิศดังกล่าวแล้วไม่มีที่ไหน ที่ได้เคยปฏิบัติพวกเราทั้งนั้นเรานี้มาแล้วได้บุญเธอได้ทําการก่อสร้างอุโบสถอยู่ คณะของเราเข้ามาอยู่ๆอุปสรรคต่าง ในขณะนั้นบทมหาธาตุยุวราชรังศฤทธิ์ในกรุงธนบุรีกำลังสร้างกรรมฐานแบบพม่า โกธังคนาของลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นพุทิธัตโตปฏิบัติมา 2494 เจ้าคุณ ออกกรุมกรรมฐานแก่พุทธบริษัทชาวเมืองพระนครพิชัยบุรีเมื่อวัน 5 ธันวาคม 2495 ขอสมณศักดิ์พระครูยาณวิสิทธิ์ให้ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2496 แต่งตั้งให้เราเป็นภูเก็ตพังงากระบี่เมื่อวันที่แต 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2498 ได้รับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนพุทธศักราช 249 ให้รักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธในจังหวัดภูเก็ตให 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2500 ได้รับ คัมภีรพระปัญญาจารย์พร้อมกับพระอาจารย์สิงห์คันธยาขโมที่พระญาณวันที่ 20 สิงหาคมพุทธศักราช 2507 ตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัด พุทธศักราช 2508 ได้ขอลาออกเจ้าจัคคณะทั้ง 2 ตำแหน่ง แต่กฎมีแต่ชื่อตัวจึงไม่มีดังเราๆมา เรื่องสมณศักดิ์คงพระคณะกรรมฐานนี้เราไม่อยากให้อุปมาเหมือนเอาเครื่องเพชร ก็แต่มันไม่แน่เหมือนกันความเห็นส่วนตัวของเรา โยมมีสิทธิเสรีอยู่ได้โดยชอบแต่ทุก จะเป็นหลวงตาคนป่าคนหนึ่งอย่างนั้นแหละแต่เราก็ชอบเป็นเชื้อเชิญในที่ทุกสถานแม้เราอะไรก็คล่องตัวฉะนั้นสมณศักดิ์จึงเพิ่มภาพ พุดงการความสงบอยู่ป่าเลยเราประเทศเข้ามาอยู่เกาะภูเก็ต 2 ถึง 3 สุขภาพจะดีปกติไม่เกิน 3 ปีตอนนั้นไปแล้วๆที่มา 15 ปีเพราะ เมื่อพุทธศักราช 2507 เราได้ครองหล่าชาวภูเก็ตพังงากระบี่ด้วยความ จึงขอชาวภาคใต้ที่อายุอุปถัมภ์สุขความเจริญๆคนเถิดอันหนึ่งวัดและสำนักต่างๆ พรรษา 42 ธรรมศาสตร์ที่ถ้ำคามอำเภอพนาลัยคมจังหวัดสุคนครนครตรงกับปีพุทธศักราช 2507 เมื่อเราพระเทศน์ที่ฝรั่งเศสออก เมื่อเที่ยวไปเยี่ยมท่านอาจารย์ฟันอาจารูที่อำเภอพนาลิคมไปเห็นวัดถ้ำ พวกญาติโยมก็ชอบใจเสียด้วยถ้า 5 6 นาทีอากาศที่ ตามสํานวนของผู้ติดถิ่นที่ว่าหาสถานที่ที่ไหนๆมันอยู่ที่ตัวของเราเราทําตัวของเราวิเวกแล้วมัน ย่อมมีสภาพผิดแพ้กันเราได้บำเพ็ญความเพียรอย่าง เราไม่ต้องปินภาพะที่จะต้องอบรมเขาอีกเมื่อเราได้มีโอกาสประกอบความเพียรติดต่อ มันได้เกิดอุบายเป็นธรรมะไปทั้ง พาขนาดลุกสิบของท่าน คolesnentไปเยี่ยมอยู่พักนั้น ท่านก็ชอบใจมันกันท่านยัง Velvet ขอร้องให้เราไม่่ไปท่ำก้องเพลงแถนท่าน แล้วท่านจะใหclears มันคือที่นี่แต่เราปรดเบื้องภาระแล้วไม่ต้องการประอ่ามยุ่งลำจักนั้นมาไม่นาน เราจึงได้ออกเดินทางจากอุดรธานีมาเร 43 ถึง 50 ธรรมศาสตร์หินหมากเพ้งตรงกับปีพุทธศักราช 2508 ถึง 2515 หินหมากเพ้งเป็นที่รู้จักกันทั่ว กินหมาเพียงมีเสื้อหมีผีเป็นต้นเป็นต้นเมื่อก่อนราว <aras OVER> 40 ปีมา ในนามเป็นที่วิเวกเพราะความกลัวของคนนั่นเองจึงไม่ว่าเป็น เห็นมาเป็นยังเป็นทุกรู้จักกันดีของกองปราบทั้งหลายคือแล้วเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของทรัพย์จะต้องมาพักซุ่มคอย ซึ่ง